ศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะศึกษาชีวิตก็คือเรื่องศึกษาเรื่องของคนเราศึกษาสติใจสติเป็นตัวที่จะไปศึกษาเรื่เรื่องกายเรื่เรื่องใจจะดีสปเสีย จะสุขจะทุกข์จะผิดจะถูเป็นสีเป็นพระเป็นเเป็นจตนาลกก็เป็นเรื่องของกายของใจเรื่องจสนาจะเป็นเรื่องของกายของใจแหละถ้าเราีรู้ของกันหลอกถ้าเรารู้ของกันหลอกนี่แหลตัวที่รูกกายรู้ใจสือสติอย่างอื่นี่มน่แหล สร้งเป็เรื่องของสติที่จะไปรู้กายรูใ้ใจเราจึงสร้างสร้างสติเพื่อดูกายดูใจแองกันเห็นกายเห็นจิตใจไปเห็นอย่างอื่นก็ไม่ถูกไปเห็นว่าจิตายจะใจไม่ไปเห็นมินิไปเห็นสีเห็นแสงเมื่อจิตายไม่ถูกตั มาตรงนี้เลยมันกลับไปนักปฏิบัติเอาให้เติมในตอเสียเวลาแล้วิธีจะริ่มปฏิทินจะเป็นวิธีสิรัตน์ในอม่อะไรเกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดจนมีปฏิกิริยอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ตร็นขาดปฏิสังเ็นเวลาอย่าง เราให้ก็จำขึ้นมาว่าเกิดตายนอนตายนอนมีบัตรมีระดัขาดสติการดสติจริงๆนิดก็ไม่มีมีแต่สติเข้าไปเห็นตายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเห็นชัดเจนคือเห็นมันเกิดมันดับทงกายทำใจเลกทดทำน้ำผอมมันเกิดมันดับ คนในที่สุดเมื่อจิตมีมากพอก็อเกิดญาณปัญญาขึ้นไปลูกไปเห็นลูกทำนามทำเห็นลูกทำนามทำลูกทำนามทำมันจะบอกมันจะสอนอะไรเป็นธรรมชาติอะไรเป็นนาการลูกเป็นอะไรนามเป็นไรธรรมชาติของลูกธรรมชาติของนามเพื่ออะ อาการทั้งรูปอาการทั้งนามคนละมันจะบอกจ่อมันจะแสดงให้เราเห็นอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จคการไม่เพียงความเป็นทุกข์ทั ง, ทงตารเป็นแต่เป็นอยา่างไรมันจะล่มันจะย่เย้าไปยิ่งมีกติมากยิ่งการมัดติ่งเห็นแจ้ง แติมากเหมือนกับกลางรันแต่ตีน้อยเหมือนกับแสงเทียนแสงตะเกียงแสงเีืออมก็จะนั่นหน้าที่เราต้องดสจ้างสติตาสติไม่ต่างจะสร้างอย่างอื่นไม่ต่างใคมันจะมองไม่ใฉยความคิดฮะใหญ่เนี่ยเหตุผลอะไรม่ต <gesture> <today> <ST> <họ> ่อให้เป็นคำถามจริงๆ นีสติเข้าใจรู้เข้าใจเอากายเอาใจนี่เป็นรัฐุปกรสร้างความรู้สึกเตี้ไปรู้ทีอื่นก็ไม่ถูกต้องกกรู้กายเห็นตาวิธีใดที่จะรู้สึกเจตนาชาเต็มจังตรงว่าต้องมีก้างจาังหวะบ่าติดมีเขื่อนมีหางม ให้ลูกศึกเอาความรู้ศึกมากอยู่ที่ระบบระบบเบืเอเ้อเกตนาให้ท่ามๆกันให้ลูกท่ามๆกันมีวัตถุที่ให้ลูกแต่แต่สิงที่ลูกเห็นก็เป็นของจริงเนี่ยเห็นของจริงนี่จิตใจไม่ต้องสหโดยันันคิดขึ้นมานไหของใจก็เห็นมัน เราอย่ไปในความคิดถ้าไปดูในความคิดเห็นคิดความคิดมันก็หยุดถอดมาดูตายนี่ต่อไปอีเห็นเดียนี่ทำไมเ ม, ม่อสติมันพุนม่มหนึ่งเห็นตายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาหนึ่งวันสวันสาวันสวันเกวันเจ็ดวันสติมันจะคุ้นเคยสไตลไตล จตน้นเคยกักับใกับใจเหมือนกับพวกเราอยู่ด้วยสันนันาเขาขึ้นเคยกันอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันทันทีถามว่าพระเจ้านั่นโยมเจ้นั่นเราเจ้นั่นเราจิตใจเจ้นั่นโอเพื่อนเราช่วยกันถ้าไม่เห็นกันไม่อยู่ด้วยกันก็จปกกันกันนไรก็ดีนี่จิตติ พบสัตว์ตายสใจอยู่ตลอดเวลาแต่ตีสัตยสับใจตลอดนกันยาไม่กันขึ้นมาทีแรกเราตั้งสติเฉยๆแต่ไปสติมันจะคึุ้งคลางตั้งการรักษากายใจเวลาใดมันล้มมันไม่เอาเพราะมันรู้ว่าหลงมันเป็นยังมันรู้มันเขื่อนอะ มันเกี่สัมผัสมันเป็นการสัมผัสไม่ใช่เป็การจําการปฏิบัติธรรมถ้าใครไปจําเอาตนนั่นจะได้ของส่งสอบอะไรของผิดไม่ได้สัมผัสการที่เราสัมผัสจะิตสัมผัสกับกายจทานทำให้ทำน่ะตนที่สุดจนนั้นเดียว ทั้งใายทั้งใจเป็นความิ่งตตัวเดียวจิตใจมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนภาวะไปเพราะมันเป็นศัตธรรมชาติแต่ประมาณนี้เราโบกเกื่อเื่อนสีเขียวล็กป่าหาไปโบกในสุนัขปุ่มพอดีพอดีเื่อยสีเขียวกลายเป็นสีเหลือง นนมมรถศาสตรตายเป็นนถหวานมันเปลี่ยนรดเปลี่ยนชาเปลี่ยนคิดเปลี่ยนตกรถศาสตร์จรงไม่ได้เป็นคิดเป็นไสยหรือเขียวมียางหมดยางเป็นเปลีย่ยนเป็นลถหวานทิฏฐิของคนเราคนหนึ่งอาจจะหลงอาจจะมีคิดมีตายไปฟูๆแกล พอมีสติเข้าไปรู้มากเข้าไปแตวรู้กองกายกองใจมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนจากการบอกเลก่าไม่ใช่เปลี่ยนจากการเจดจาเอาไม่ใช่เปลี่ยนจากการอ่านข่าวธรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมที่ทำแน่ไปเป็นกรรมที่ทำแน่ไป ให้เปลี่ยนไปพ้นไปเนี่เป็นเป็นการเรียนัด <c oughs> เป็นการเรียนนัดเป็นการเรียนตรงตรงแม้แต่พูดพยายามพูดให้มันตรงตรงแต่นี่เราเก็บเวลามากโดยเฉพาะจากพุทธคนไปการศึกษาพุทธศาสนานี่ยโค้งที่สุดเป็นอาหาระวพยายามหาเรื่องาก็กรตามแทนที่จะเข้ามาตรง ผตัดตัดความไม่สุดตัวไม่มีเลยนั่งตีกันตะโยมตีกันชั่โมไม่ได้พูดถึงจัามไมสุดตัวเเรื่องอื่น้องให้สองกาดายยินดีเเรื่องอื่นใต้โม่ตัวนากตนไปเพราะฉะนั้น ขอให้ เ, เราได้มีโอกาสถ้าเรืยย่องนี้เป็ น, ปนหน้าที่ของเราเลยเราจะสอนตรงๆเราจะพทดตรงๆนี่ฟังเสียงอะไรมันเสียวเวลามานานแล้วการสอนคำการเผยแผ่คำเสียเวลานะ่าใครจะเทีได้ที่คือเวีของก๊กหลงสอนกันตรงๆไม่เบื่อใคร เดียวกับวิธีดีใจเราทากันมาเนี่ยเราจึงพาการเจกอบไปสื่กันตรงๆวิธีใดที่เราจะได้สมัครัจจิตเอาเลยเราจะตื่นไ้ด้านเราจะสร้างให้อย่างดีเราจะตนดยท่นห้าหลังหน้หลังตันปิดตันตันมันก็จัดให้อย่างดีสร้างตื่นไว้ด้านให้สัครปัจจิต ทำไมอยู่ที่นี่ไม่ได้สัมผัสสัจติก็กระเงาะเต็มที่คนๆนี้ไนแต่พูดพูดเรื่องนี้เล่าเรี้ทดี้งสังเตอาใช้นแเพื่ อ, อ, อ, อ, ใ, อให้พวกเราตงเข้าไปอยู่จตห า, ายทางของการตึกตาถ้เรื่องนี้แล้จะรู้อะไรต่อไปเราต้องเชื่อ ว, ว่ามันจะไม่รู้ ลางคนมีกันหอมต่างจากต่างประเทศมาแผ่เมก็ดพ่งหลวงตัวเทียนสอนไม่เห็นตัดเมื่อชาดธรรมราเพื่อที่จะติดาฏิบัติรธตรรธมจะถึงเมดผลหรือถึงมิจฉาอย่างนั้นต้องผ่านทางที่สี่จิตใจตัง้งแน่แน่จึงจะเข้าถึงมิจฉาน แต่เราสอนไม่ได้พูดเรื่องขาดเนี่ยเขาจะทำแสดงว่าคนต้องต้องการแต่คำขาดจะเอาความรู้จากคำขาดถ้าจะพูดเรียกว่ากับธรรมหรือปรมาจารย์การมจริงๆมันไม่ได้เกิดจากคำขาดแล้วคนอื่นตอบให้ก็ไม่ใช่ต้องตัวอเราเป็นคนตอบ แล้วไม่มีคำตอบต้อะเจอเรานี่แต่คำตอบนี่แต่คำตอบนี่แต่การที่ของพ่อพูดอยู่นี่สมกัติที่ไม่ผูกแต่ละนักปราชญ์จริงๆเป็นสติเนี่ยการสตินะ้นก็สตินะคำพูดถึงสมบัติแต่จริงๆไม่ใช่คำพูดมือรางให้คนเข่ากระเช้าไขึ้นติดตวขึ้น อันนี้แหละจะเป็นจะดปนการฉันหลงไปได้คาถามออนี่แหละเป็นการแสดงคำการเคื่อนไหวมือเป็นการแสดงคำเป็นการเจกเกการที่คนอื่นเพื่อให้ฟังยังใช่การแสดงคำที่แท้จริงการแสดงคำที่เทศจริงคือการตะลุกตะเคียน มีสติไปกับกายเสื่อไมไปเวลามันจิตรู้สึกัวน่ดมันสมบูรณ์ที่สุดมันมีทั้งคําถาม ม, มีทั้งคําตอบมีทั้งจิตก็มีทั้งแก้ความจิตมีความผูกและมีความจิตแก้ความจิตให้ผูกก็อยู่ในรูปบที่เราฟังรูกส่งเสียงจะได้นั่นสมบูรณที่สุดถ้าเราที่มีโอกาส เป็นอะไรที่เป็นหน้าบวกตอต้องรีบเดือนซะเอาให้ตรงซะเรียนตรงนี้แหละเป็นตรงที่ไม่ต้องเสียเวลาเพราะตรนั้นก็ง่ายๆผมปูอยู่ที่ก็เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่เป็นจริจ เป็นคำตอบที่จะให้รลืทิศทางแผนที่เพื่อที่จะศึกษาเป็นการเยียวยาแต่เป็นการผ่ า, าทายในการศึกษาถ้าเพื่อใดทําอย่างนี้ก็รับรองได้เลยไม่ผิดถ้าในสติมันดูไกลในสติมันดูไยลเนี่ยให้ผิดเป็น สำมาทิสีแล้วเป็นการอยู่โดยชอบแล้วเมื่อเราอยู่โดยชอบอั่าก็เรือเล่นในหนองฟองมันจะไปไหนมันจตจางลู่ที่นี่แต่เราลู่อยู่นี่ผหนอยู่นี่เตุกายเห็นใจอยู่นี่การลูท่ทาการเห็นทำก็ไม่เคยเห็นเรื่องอื่นอยู่ในนี้ทั้งหม้หลังที่ทเราทั้งต้นยาจะเป็นมากเป็นผล เป็นตะลันเปนานจะเป็นเรื่องเตเรื่องและเลกเรื่องเทวดาอะไรก็ตามมันก็เื่องอยู่เนี่ยเรื่องอยู่ในกายในใจดาไม่ใช่อยู่ที่นระอยู่ที่อีไม่ใช่อยู่ที่อนเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจสติจึงจะต้องศึกษาสตจเป็นตัวการขการศึกษาที่จะถลุงที่จะย่อยออก โอเคติดคิดลึกเอาเอาสติเข้าไปเลยนี่การลึกติัวเข้าไปดูตายดูใจเข้าไปพอแล้วการติดตาการติดมันก็ไม่ยากนะถ้ามันก็ไม่าเราอยู่ในกมุมี้แหละในตัวเราทุกคนเรียนผู้หญิงผู้ชายชาติใจภาษาใดมันเป็นอรยังไงอยู่น mana, ida, lady, <Stretch> ี่ทั้งหมดสติีเมืนกัน พรกับโยงก็มีปฏิบ nee so so ัติเหมือนกันการเสด็จก็เหมือนกันการหลงก็เหมือนกันการร้อนการหนาวก็เหมือนกันกเวี่ยงก็เหมือนกันคนชาติใภาษาใก็เหมือนกันนันศาสนาการศึกษาศาสนาจริงสาคือเรื่องนี้หเรื่องชีวิตงทุกชีวิตานยาอดลย่ลตรงนี้มแน่นอนเอาว่าไม่ดีกว่า ศึกษาอะไรจะตั้งเสียเวลาคิดไปทำอะไรไม่ทุกทีอะไรที่เราจะรู้สึกเจอนั้นกวนเรื่องพยายารู้สึกเัวมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยการที่เราเป็นส่วนประกอบจะเรียนง่าไปแตเห็นว่าพอเป็นแขนที่แบบแขนให้แก่พวกเราที่ปฏิบัติ ถ้ามปฏิบัติฟังผมพูดจะไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติใกล้สัมผัสแต่ก็ตังพูดไปเรื่อยอาจะลูสิ่งที่พูดก็เป็นสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทําก็เป็นสิ่งที่เราพูดทั้งก็มีมีรหัสมีเครื่องรับเรื่องแต่เกิดกวามตึงเด่นเป็นไง และแก่เพื่อนๆจะเป็นหลักตกแค่นี้